ขว ئات ع م ا ل ن ا ั่ดห م ض ل و ض ل و م ن يضلل فلا هدي ل ه و ش ه د ن لا ل ه ل ا, إ الله وحده لا شريك ل ه و ش ه د ن محمدا عبده ورسولهاللهم ب ك ص ب ح ن ا و َบ ا กَอั و ไ ك นาว ن و ิกะนัพย إ วับิกะ و َมุตุ ن ะอิลั ب กั إ น ل ชูร์อัลลอฮุมะอัลล عبد ุคะวะอานะอัลลอฮฺอัลฮิกะวะวะฮิกะมัสตัตัตุอะบูอุลลักะบินะอฺมัติกะอาลัยย์วะอะบู أ ุบ Allahumma inni a'udhu bika min ah uh. s سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนั่มาธิซุบหรือนมาธิฟังที่รักของเรา a l h a m d u l ล l l a h ขอบคุณ Allah سبحانه و تعالى ที่ a ล l a h ให้เรามีชีวิตอยู่ให้เราตื่นขึ้นมาเมื่อคืนนี้ บางคนก่อนนมาศตะฮัดยุดขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้เดินมานมาศรวมกันเป็นยามะที่มัสยิดของอัลลอฮ์สุบฮานาหุบะจาระดุอาบทแรกที่เราอ่านก็คือบนตอนเราตื่นนอนนะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอะฮียานะ บาดมามาะอามะตานะไว้ไล่หินมูชูรแล้วก็อ้อนอเข้าห้องน้ำดาดออหลังจากออกจากห้องน้ำเราก็ต้องอ่านด้อนใส่เสื้อผ้าน้องอาจจะบางคนอาจจะจำบางคนอาจจะไม่จำา้ออใส่เสื้อผ้าก็ออลลอะมา่อเอญีอ้าวลืมไปแล้ว Tuasai serba mimi, nak Allah mu ini, Alhamdulillah dari kasani bihi aurati, wa atajam malu bihi fi hayati. Du, duhampre. Alhamdulillah, benda-benda senarai semuanya adalah milik Allah. Kasani Allah bagi saya pakaian. มาเอาเอ า, เอามาทำลายเสื้อผ้าเนี่ยกาซานีไปมาม า, มาปกปิดกาซานีบีฮีเอาโลติปกปิดเอารอบของฉันเอารอบแปลว่าที่ที่ไอไอที่อัลลอฮ์บอกให้ตรงนี้ยละไอนะไอนะของไอไอเนะี่ยปิดทั้งหมดเราก็ทําแล้วกาซานี้บีฮีเอาโลติ ให้เสื้อผ้ามาเพื่อเอามาปกปิดร่างกายส่วนที่อัลลอฮฺสั่งให้ปิดเราก็ปิดวา่าอัตัาญมาลูบีฮีด้วยเสื้อผ้าอภรรยที่เราใส่นี่แหละทําให้สวยมองดูสวยก็คือน้องแต่ละคนแต่ละคนที่ใส่เสื้ออยู่เนี่ยเราเลือกแล้วว่าเสื้อนี่น่ะสวยสำหรับฉันเพราะใส่แล้วมันสวยนะ ก็อาจะจะยมาดูบีฮีฟีฮียีในชีวิตการเป็นอยู่ของฉันเนี่ยก็ที่นึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลาเนี่ยดีไหมดีเอาหัวใจของเราเนี่ยโยมกับอัลลอฮ์เอานมาสุนัขที่บา้านสองเราก็อาจก่อนจะมาก็แล้วก็ต้องนึกอะ่ะให้บราิกาแก่บ้านของเราเองเอาบางคนก็มาด้นมายก็มาสมาดี่มัสยิด พอจะขึ้นรถตอนจะออกจากบ้านก็ อ, อ่านดวอาอีกพอออกจากบ้านก็ อ, อ่านดวอาว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์บิสมิลลาฮิโตะกะล็อตุอัลลอฮ์และฮาโวและฮาควาตอิลลาบิลลาฮ์รวมไปถึงนักเรียนที่อยู่หอพักนะจะออกจากหอพักก็ต้องอ่านดวอาพออ่านดวอาออกจากบ้านเสร็จแล้วก็ดวอาขึ้นรถ ขออัลนยุอัลฮัมดุลิลลาฮฺา ب ح ا ن الذي صخر لنا นีน وما كنا له น ك ر ي ล و ا ن บ إلى ربي ن ا ل م ลิ ي ูใจกับผูพันของ Allah พอรถรถมาจอดจะลงจะรถก็ต้องใจกันด้วย a l ล a h ดูแลแทงกันด้วยดูแลรถฉันเนี่ย แม้จะรองเท้าดูจอดหน้ามัสยิดเนี่ยเราก็ต้องเนือออ้อเยาเราพอทอดเยาเราจะดูแลแทนกันด้วยเราไม่เคยถือรองเท้าเข้ามัสยิดแต่ว่าในในต่างประเทศน่ะเขาถือกันหมดอ่ะจริงจิมาการ์เน่ถือรองเท้าเข้ า, เ ข, าเข้ามัสยิดแต่ก็ใสถ่ถุงถือรองเท้ามือไหนต้องถือด้วยมือซ้าย เหมือนกันสูบุหรี่ก็ต้องมือซ้ายถือขวาสูบุหรี่ก็ต้องมือซ้ายต้องมือซ้ายแต่สังเกตเนี่ยคนที่อ่านกุฎอ่านถือกุฎอ่านโดยถือบุหรี่ด้วยเนี่ยมักจะถือกุฎอ่านโดยมือซ้ายแล้วก็ถือบุหรี่ด้วยมือขวาถาว่าเราให้เกียรติอะไรมากกว่ากันคนที่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ สูบุรด้วยมือขวาหมดแสดงว่าเราเนี่ย e ร p เ c t ให้เกียรติบุหรีมากกว่าอัลกุรอฮ์มองดูตัวเองคุณเป็นคนประเภทไหนถ้าคนที่อ่านกุงอ่า น, านเยอะๆคนที่อลัลลอ์สั่งบอกว่าทำของดีด้วยมือขวานะนั่นต้องนึกหรือว่ายาลอยยกเว้นตอนสูบบุหรีอย่างเดียวอย่างอืน่นกันทำมือมือขวาหมดแล้วมือซ้ายทำตัวของของไม่ดีก็ต้องนึก จะต้องค่อยๆปรับค่อยปรั บ, รบ ช, ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงตัวของเราตลอดเวลานะขอบคุณอัลลอฮ์นะราอ่านกุรานมานี่มาถึงสูรออัลกาฟฟีอายะาสูรอที่สิบแปดถ้าถ้าจำนะได้ประโยชน์เยอะถ้าลืม มันก็ลืมอ่ะคนมันลืมเนี่ยใช่ไหมมันก็ลืมมะแนละ้วถ้าลืมก็ลืมหมดแล้วล่ะนะถ้าจําเนี่ยทำอยู่เลยแล้วจะเอาความรู้ น, นั่นอ่ะเอามาใช้กับตัวเองนะเเ่ยพรลคัมพีกุรานทุกอญญายะพูดเรื่องของเราหมดเลยแต่เวลเอาอัลลอฮฺจะพูดในคัมพีกุรานเนี่ยพูดกับนบีมุฮัมมัดคนเดียวมุฮัมมัดเอ๋ยทําอย่างนี้มุฮัมมัดเอ๋ยทําอย่างนี้มุฮัมมัดเอ๋ยทาแบบนี้ ทีนี้พอเราอ่านอัลกุรอานวันนี้นบีไม่อยู่กับเราแล้วเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นคนที่อ่านกุร อ, า น, อานวันนี้ต้องนึกอัลลอฮ์บอกกับนบีให้ทําแบบนี้วันนี้นบีไม่อยู่ก็คนที่อ่านกุรอานต้องทําแบบนี้ทําตามนาบีเอาวันนี้มาถึงข้อญที่เท่าไหร่นะยี่สิบหกนะครับ กุลิ الله ม ع ل م بما لبسوا คุลคุลแปว่ามุฮัมมัดเอ๋ยจงอะไรนะจงกล่าวเถิดก็จงตับลิกแล้วจงพูดจนสาชยายจนขึ้นเลคเชอร์แล้วับอย่างนี้แหละก็บอกกุลิกุลมุฮัมมัดจงพูดนะจงพูดจงอธิบายจงตับลิกพูดว่าไงอัลลอฮ จงพูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยอลลทรงรู้ดียิง่งอัลลอ์อลอมอัลลอ์รู้ที่สุดอลนะคนที่เรียนนฮูมาต้องนึกอิเซมอะรแแฟนอะไรต้องนึกลนะเราไม่พูดัน้าเสียเวลานะอลแปลว่าอัลลอ์ทรงรู้มากที่สุดรู้ดียิง่ง บีมาลาบิสูลบาลบิซาลาบิซาลาบิสูแปลว่าอาศัยอยู่หรือพำนักอยู่อยู่ในไหนอยู่ในท้ำพอกทะล้อ ก, กันจะมากระเทียงกันบางคนว่านิดนึงบางคนว่านานบางคนว่าเวลามันเปลี่ยนใช่ไหมล่ะเปลี่ยนกันมารู้ว่าอยู่นานเท่าไหร่ใช่ไหมคำตัดสินก็คือต้องโยงกับอัลละ มุ h ม m m a d เอยจงบอกนะจงบอกว่าอัลลอ์เนี่ยอัลลาบิมาละบิซูละหูจงกล่าวเถิดมุัม m m a d อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งว่า mm. พวกเขาพำนักในถ้ำนี่ น, ะนานเท่าใดทีนี้กุอา น, นี่ได้ได้เฉลยให้เราฟังแล้วว่าคนที่อยู่ในถ้ำเนี่ย นานเท่าไหรนะสามร้อยกับเก้าปีสามร้อยกับเก้าปีนี่เป็นคำบอกจากอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه ูะละ ت ع ا นะเอาให้ให้มุฮัมมัดสอนต่ออีกเรื่องที่สองละหูไกบุษมาวาติวัลอร์ดละหูแปลว่าของพระองค์คือของอัลลอฮ์เนี่ย Hi, ลอยบุสมาวาติแต่ว่าคือสิ่งสิ่งที่มองไม่เห็นเรฟแปลว่าอันซีนสิ่งที่มองไม่เห็นหรือพูดภาษาภาษาดีหน่อยคือสิ่งพ้นยานวิสัยอธิบา ย, ยาก็คือเราไม่สามารถที่จะจินตนาการด้วยสมองของเราได้เหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะอธิบายได้ สิ่งเล่นลับอยู่ที่ไหนอ่ะอสมาวาที่อยู่ในชั้นฟ้าอัลลอฮ์รู้แต่เพียงผู้เดียวเพราะชั้นฟ้าเนี่ยมันสูงมากเลยเฉพาะดวงดาวอ่ะจำนวนนับไม่ทวนเป็นล้านๆอ่ ะ, สะแสดงว่าอาวากาศเนี่ยข้างบนนี่อ่ะอลัลลอ์กว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะ และเราไม่รู้เลยว่าดวงดาวที่อยู่ข้างบนนี่นมีเท่าไรนะรู้ไหมไม่รู้และมีอะไรบ้างข้างบนไม่รู้เราคอยบุษมาว่าที่สิ่งความลับที่อยู่ในชั้นฟ้าเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้วันอารดีและความลับที่อยู่บนแผ่นดินนี่เตือนตัวเราตลอดเวลานะพออา่านกรอ่านเดี๋ยวเจอละ อัลลอฮ์เป็นเจ้าของชั้นฟ้าอ่านมาเจออีกความลับที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์รู้เราไม่รู้เตือนตัวเราตลอดเวลาเตือนคนที่อ่านคุณอ่านเนี่ยอย่าหลงตัวเองอตองการจะบอกว่าคุณนยะอย่าหลงตัวเองนะเพราะคุณแน่แน่แน่ะนคุณไม่แน่หรอกอัลลอฮ์เรื่องในตัวเรานะี่ยังรู้ไม่หมดใช่เลยอไมใจขอให้นับ คิ้วเนี่ยคิ้วเราเนี่ยดูกระจกวันห้าเที่ยวอ่ะเคยนับบังระบาปไม่อยู่กี่เส้นไม่รู้ไอ้ที่มันงอกมาเส้นหนึ่งเอาออกกันลาบากอ่ะจะดึงเอาออกไอ้ขนคิ้วที่มันขาวๆออกมาเนี่ยไป จ, จับตรงไหนเนี่ยเรายังทำอะไรไม่รอดสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนียยิย่งผมเนี่ยหมดเซตเลยนับไม่ได้อ่ะ อัอขนาดฟันอย่างเดียวนะังจะต้องไปให้หมอช่วยใช่ไหมกรอหินปูนหน่อยนะหมอจา๋าต้องเสียตังค์มันเอกเรื่องของเราเรายังดูแลได้ไม่หมดเลยยิ่งหัวใจอีกก็เรียบร้อยเลยวันนี้เราช้หัวใจผิดคิดผิดคิดผิดนึกว่าดีอคิดผิดทำผิดเชื่อผิดผิดหมดเลยฉะนั้น ตัวเราวันนี้นะอัลลอฮฺตาลาดูแลคุม้มครองอยู่โดยมีมลัยกาตั้งข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาเยอะะฉะนั้นอ่านคุรานายะนี้เตือนเราหลายเรื่องนะเรื่องทีหนึ่งก็คือว่าคนที่อยู่ในถ้านอนนานเท่าไรอัลลอฮฺรู้เราไม่รู้แม้แต่ตัวเราเองที่อยู่บนโลกดุนยาไปเนี่ยจะอยู่กี่วันเนี่ยเราเองก็ยังไม่รู้เลยในอนาคตจะอยู่นานเท่าไรก็ไม่รู้เลย แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เนี่ยฉะนั้นเราต้องมอบตวากัลตัวอัลลอฮฺวะลาฮอละวะลาฮฺกูตะอิลอลับิลลาห์แค่บิสมิลลาห์ตวากัลตัวรู้ไหมมียู่มีอยู่สามความหมายตรงนั้นต้องออกจากบ้านเนี่ยมอบอัลลอฮฺสามเรื่องนะบิสมิลลาห์ฉันออกจากบ้านด้วยน้ําของอัลลอฮฺยังไม่พอ ตาวัตรกลั่นตัวอัลลอฮ์ฉันมอบมอบตัวของฉันมอบบ้านของฉันมอบภรรยาลูกลูนลหลานที่นอนอยู่ในบ้านเนี่ยอัลลอฮ์ดูแลด้วยนะขับรถมาตอัลลอฮ์สักคราแลนะฮะจะให้เดินมาเนี่ยอัลลอฮ์ทั้งหมดทําไมต้องนึกถึงอัลลอฮ์ล่ะการโยมกับอัลลอฮ์นั้นทําให้หัวใจสงบอ้า แล้วก็ลาเขาลาเวลากูวัตินลาบิลาอธิบายยังไงอำนาจที่จะให้เราเจริญคือตกต่ะอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลมูบิมาลาบิสุไกรบุสลาฮูไกรบุสมาวะที่ว่าความลับที่อยู่ในแผ่นดินความลับที่อยู่ในชานฟ้าอัลลอฮ์รู้แต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมด อาบัิรบิฮิอาบัิรบิฮิพระองค์ทรงเห็นอ่าบาซร์บอกว่าทรงเห็นชัดเห็นทั้งหมดเนี่ยอลัลลอฮ์เนี่ยนักเรียนนักศึกษานี่ยจะมานั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยใครหลับใครสงบรู้หมดใครทํำไรรู้หมดเนี่ยอลัลลอฮ์รู้หมดเลยนะ รู้ทั้งหมดเนี่ยในโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนอัลลอต า, าราู้หมดการเคลื่อนไหวของมรคลูกเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันรู้หมดเลยนะครับว่าอัสมิยว่าอัสมิยแปลว่าอัลลอทรงฟังทรงเห็นชัดแล้วก็ฟังชัดไม่มีข้อสงสัยถ้าถ้าเราเชื่อแบบนี้เนี่ยัวใจเราสงบไหมสงบอัลฮัมดุลิลลาห์ ทีนี้ขออธิบายอีกนิดหนึ่งว่าอรณาดาเนี่ยนะมีสิทัต์ท้งหมดเท่าไหร่นะเก้าสิบเก้าพระนามที่เราย่อมาเหลือยี่สิบเนี่ยไม่ใช่เรานะคนอื่นเขาย่อให้อีกทีห น, น, นึ่งดัวพุลุ่งยี่สิบทวนตี้นั่นแหละนั่นอุลมะไม่ใช่สายสลับมันจะสายสลับพวก อุลามารุ่นก่อนๆที่กล้าชิ้กับนบีเนะี่ยเขาไม่เคยยอ่อนะเขาบอกสิฟานอัลลอฮ์มีทั้งหมด99พระนามแต่อุลามารุ่นหลังๆเนี่ยพวกอาชาอิรอมายอ่อให้เหลือยีสเนี่ยใช่ไหมเราก็กลัวลูกหลานเราเนี่ยจะมีอักีดะ อ, ลอัลลอฮ์มีรู้แค่ยี่สเรื่องยังหละท่านอย่าอจะเป็นนึกอย่างนั้นไม่ได้อัลลอฮ์เท่าไรนะมีอยู่99พระนามผมขอจะคุยบ้างกันเล็กน้อยๆก็คืออัลลอฮ์เป็นอย่างนี้ ลาอลลอฮฺวาซิรอัลล์ไม่มีรัฐมนตรีนะที่ํำอธิบายจะเต็ีอธิบายเยอะนะวันลานูซิร์อัลลอ์ไม่มีผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์องเดียวนะบริหารโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวนะไม่มีรัฐมนตรีไม่ ri, ไมีผู้ช่วยเหลือวลามุชีร์ไม่มีที่ปรึกษาวลามุดับเบรไม่มีผู้วางแผนให้อีกทีหนึง่งไม่มี อัลลอฮ์บริหารเองดูแลเองแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยหาที่เปรียบไม่ได้ไม่มีไม่มีอะไรเหมือนเหมือนอัลลอฮ์นะฮุวันอัวัลอัลลอฮ์ Allah เป็นองค์แรกวันอาคิดอัลลอฮ์เป็นองค์สุดท้ายคือทุกสิ่งทุกอย่างอตายหมดอ่นะมาก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรมีอัลลอฮ์หล้วก่อนหน้าอัลลอฮ์มีไหมไม่มีอ วัละเฮ็ดอัลลอฮ์ทรงเปิดเผยวัลบาตินอัลลอฮ์ทรงเร้นลับไม่มีวันหมดอายุและไม่มีวันเริ่มต้นเนี่ยอัลลอฮ์ตัฟซิอธิบายดีหมดเลยก็ดีมุนบิลานิฮายะววลาบีด้อะอัลล์น่มีมาแต่เมื่อไรบางคนสงสัยอัลลอฮ์อัลลอฮ์เกิดเกิดเมื่อไรอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าเกิดเพราะอัลลอ์ไม่มีพ่อและอัลลอ์ไม่มีแม่ ไม่มีไม่มีวันเริ่มต้นและไม่มีวันหมดอายุเนี่ยพอเราพูดอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่มีวันเริ่มตน้นมันเป็นยังไงนะอัลลอฮ์เนี่ยพอเป็นยังไงนะอัลลอฮ์เนี่ยมาจากไหนนี่มาใช่ต่อแล้วอ่าท่านจะว่าไงอาอุบิลลาะห์เป็นักใช้ตอนีน่ละทีอันคุนุอัลลอฮูอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮูสัมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึง่งมาว่าทุสิ่งทุกอย่างต้องพึง่งอัลลอฮ์หมดลำยลาลิศวะลมยูลัด อัลลอฮ์ไม่ประสูดอัลลอฮ์ไม่ถูกประสูดนี่อัลลอฮ์เล่าเองวันลำยกุลแล้วหูคูฟูวันอะฮัดไม่มีอะไรเหมื้อเสมอเหมือนอัลลอฮ์สุบฮานะหูตาอะไรถามอัลลอฮ์มีมือไหมมีอัลลอฮ์มีหูไหมมีมีตาไหมมีแต่มียังไงอัลลอฮ์ยังไม่รู้อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้ได้ยินได้ยินแบบเราหรือเปล่าอัลลอฮ์ยังไม่รู้เม่ต้องอธิบายนะ ภูวันละดิฟิสมะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าเป็นของอัลลอฮ์และสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินก็เป็นของอ AH, ัลลอฮ์รวมไปถึงไปถึงสิ่งที่อยู่ใต้แผ่นดินก็เป็นของอ AH. ัลลอฮ์เพชรพลอยน้ำมงนน้ำมันทั้งหมดอัลลาห์รู้ทั้งหมดนั่นแหละฟไอนะมาตูวันลู้ฟาซัมมาวะจุฮุลลอจะมองไปด้านไหนก็เจออัลลอฮ์มองด้านนี้เจออัลลอฮ์ ด้านนูนเจออัลลอฮ์มองข้างบนเจออัลลอฮ์แต่จะมองไม่เห็นไงข้างล่างเจออัลลอฮ์ข้างหลังก็อัลลอฮ์รวมไปถึงท่านพี่น้องที่จะไปเดินทางไปต่างจังหวัดพอเข้าไปในโรงแรมบางโรงแรมไม่มีเขียนกิบลัดทําไงได้เวลานามาสยิดปั๊บเนี่ยกิบลัดไม่เจอถามบอยบอยมันอาจจะบอกท่านตกทางนี้พี่พี่อะไรตกจริงหรือเปล่า แะนั้นให้ใช่ตะหักรอมาถึงให้แล้วนะแสวงหาเอาเองมั่นใจเอาเองทั้งนี้ตะวันตกแน่แนก็นมามไปบางทีนมาม า, ม า, มาพิษเอ้าหันหน้ามาทิศตะวันขึ้นพอสบอู่เพิ่งจะรู้เอ้านี่พิษอย่างเนี้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเพราะอายะกุอานอายะหนึ่งที่บอกว่าฝ่าไอนามาตะวันรู้ไม่ว่าท่านจะหันหน้าไปด้านไหนเจออัลลอฮ์หมด แต่ถ้ารู้ทิศเนี่ยดีไหมดีถ้าไม่รู้ก็นำมาด้วยความมั่นใจว่าทิศนี้แหละเป็นทิศกิบลัดนะครับละตาราหุลอายุนขออธิบายเพิ่มนะคนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นอัลลอฮ์ได้เอาตาเนี่ยไปมองอัลลอฮ์ะมองไม่เห็นบนโลกดุนยาแบนี้ละตัคอลิตุห uh ุซูนูนแต่ว่าคนไม่สามารถคำหนึ่งคิดถึงอัลลอฮ์ ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงคิดไม่ถึงลาโยซิฟูลวาซิฟูลแปลว่าผู้พูดชมอัลลอ์เนี่ยไม่สามารถพูดชมอัลลอ์ได้หมดจะชมอัลลอ์ขนาดไหนก็ชมเจอแต่ชมได้ไม่หมดชมเมียน่ะชมได้นะชมลูกเนี่ยได้ไหมได้เป็นชัวโงนะชมได้นะจะชมอัลลอ์เนี่ยพูดไม่เต็มปากไม่เคยรู้เหมือนกัน แต่คนที่มีการศึกษาดีๆเขาชมได้แต่ชมหมดหมัหยไม่หมดล้ตูกเ ย, ยีรุลฮาวาดิ<ม>เหตุร้ายที่เกิดขึ้นไม่ทำให้พระอมค์ได้เปลี่ยนไป<ม>เหตุการณ์ที่ซีเรียที่ฆ่ากั น, น่ะด้วยอะไรนะโดยสารเคมีใช่ไหมนะ่ะสาดลงไปแต่ตายเป็นพันเนี่น่ะไม่ทำให้เอาล้อเปลี่ยนนะ ฆ่ากันที่อียิปต์พวกอิคานถูกฆ่าใช่ไหมไม่ทําให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงหนังฟ้าจรวดใส่ก็ไม่ทําให้อัลลอฮ์เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนออยนอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ใหญ่ๆยิงกันตรงนั้นฆ่ากันตรงนี้แผ่นดินถล่มตายเป็นพันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมนุษย์ทํากันเองอัลลอฮ์ไม่เปลี่ยน และยักษ์ชัดเดาว่าอิลล่าไม่ก้มให้กับเหตุการณ์รายๆที่เกิดขึ้นอย่างนี้พิษแก๊สที่ซีเรียใช่ั้ยที่โปรใสประชาชนที่ซีเรียตายไปสามสี่หนึ่งพันสองสามร้อยคนอิหร่าไม่เคยก้มหัวให้กับเหตุการณ์ ฉันยอมเป่ยแพ้และฉันไม่เอาแล้วนะไม่ใช่อลัลลอฮฺบันทึกหมดเลยใครเป็นคนโปรยใครเป็นคนสั่งเดี๋ยวเล่นงานที่หลังนะอย่างชาห์พอลืมๆดูอลัลลอฮฺเล่นงานแล้วปับปบปรับไม่รู้สึกตัวแบบวัลแมอเมริกาที่พัดถลมชาวบ้านวันนี้อลัลลอฮฺส่งอตาดโดโดนะโททาโดเล่นทิ้งร้อยลูกพันลูก อ, ล อ, อัลลอฮฺอ้างว่ารู้สึกตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่คนที่อ่านอักุรอานนึกตลอดเวลา ละยะอัลลอฮ์มายะฟ้าอลไม่มีใครสามารถถามพระองค์ได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำทำไมอัลลอฮ์ทำอย่างเงี้ยถามแล้วถามไม่ได้ไม่สิทธ์ไม่มีสิทธิ์ถามดันั้นเราก็เดินตามที่อลัลลอฮ์จัดเดินตามคิดตามที่อลัลลอฮ์ทรงให้คิดนะ ah uh uh um um. ละตะคูซูฮุซินะตูวะลานูมอัลลอฮ์ไม่ไม่ง่วงนอนแล้วก็ไม่นอน อย่าคิดว่าอัลลอฮ์นอนนะไอ้เราเน่ยนอนแต่อัลลอฮ์นอนไหมอัลลอฮ์ไม่นอนถามว่าง่วงไหมไม่ง่วงมาต้องนอนเลยทั้งทั้งชีวิตไม่มีการนอนไม่มีการง่วงนอนภาษากุงอ่านสอนดีนะลาตะคูซูฮูซินาตุูวะเลนาอมการง่วงนอนไม่เอาอัลลอฮ์และการนอนหลับไม่เอาอัลลอฮ์หมายถึงเข้าไม่ถึงอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัลลอฮ เราในแค่คืนเดียวเท่านั้นแหละตื่นเช้ามาเนี่ยบงสุมน้ำมันไไหวแล้วแย่ yeah. มากะนารอบบูแกนอาซี่อลัลลอ์ไม่ทรงลืมไม่ลืมเลยเรื่องที่มนุษย์ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ลืมเราต้งหาคนทำเองนะลืมแต่อลัลลอฮ์ไม่ลืมฉะนั้นใครที่ชมอลัลลอ์ไวอ้อัลล์รู้หมดใครที่ด่าอาลัลลอ์ไวอ้อัลล์รู้หมด อัลลอฮ์รู้หมดลายดิลุรอบีอัลลอฮ์เป็นประพูงอภิบาลของฉันที่ไม่ทรงหลงด้วยผมพบกันกับเนี่ยท่านจุลาทิวที่ต้องจอดเขชื่ออะไรจุลาสวัสดสุมาญศักดิ์เขาอ่านดูอาบนนี้ลายดิลูรอบีวาลายันซาเขาบอกผมว่ามุสาวาอ่านดูอาชมอัลลอ์ตรงนี้แหละ ลายดินลอร บ, บีเวลายันซาอลัลลอฮฺไม่หลงอลัลลอฮฺไม่ลืมจะทําให้เราเองนั้นไม่หลงไม่ลืมอ่านบเนี่ น, น, นี่มันจะสุนาัข น, นาบีนะเชื่อก็ได้ไมาเชื่อก็ได้เพราะว่าจุลาอาจารย์สวัสดิ์สมานยาศัสตร์คุยกับผมอันนี้มั น, นี่ขอแนะนำใหม่ค่อยให้ให้ให้ใ ห, ให้ดูอาให้ดูอา พุกวดดูอานาบีหรือเปล่าพอยิ้มใฮ้อาไม่เวลานี้เล่าให้พี่น้องฟังนะใครจะชมอันลอดตรงนี้ผิดไม่ไม่ผิดเรายอย่าดิ้นรอบบีวาลายันซาอัลลอฮฺไม่หลงอัลลอฮฺไม่ลืมท่าคนที่อ่านท่านเล่าว่าถ้าอ่านดูอาเนี่ยบ่อยๆวันเนี่เป็นร้อยๆเนี่ยก็ดีอย่างน้อยก็ทําให้สติปัญญาของเราเนี่ยไม่หลงไม่ลืมนะ อินรอบะกุมอัลลอฮ์แท้จริงพระพู้อภิบาลของท่านทั้งหลายคืออัลลอฮ์ที่ที่ผมเอามาพูดเนี่ยเอามาจากคุณอ่านทั้งหมดนะอัลลอฮฺที่ خ ل السماء توال الأرض في ستة أيام อัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินร้ภายในกี่วันส ت ة ย ي ا กี่วันหวันแต่วันหนึ่งของอัลลอฮ์มันจะยีบสี่ชั่วโมงนะ วันหนึ่งออัลลอฮ์เท่าไรหร่5 0ื0นปีอย่างนี้เป็นต้องเข้าใจด้วยนะบางทีก็ 50,000 ปีบางทีก็พันปีบางทีก็ยาวเท่ากับนำมาสองเราก็อัานนิวันองอลอฮ์ทั้งหมดนะความความรู้สึกนะนะฟาฟิ ร, รูอิลลอฮจงรีบจงวิ่งไปหาอลัลลอฮ์เธ อ, อนคนที่กำลังกินเหล้าอยู่เลิกคนที่ทำศิลนาอยู่เลิก คนจะเล่นการพนันอยู่เลิกกลับไปหาอัลลอฮ์คนจะเล่นเข้าบาร์นายขับเมาหัวลาน้าเลิกกลับหาอัลลอฮ์คนที่ชอบตบโตเมียเลิกกลับมาอัลลอฮ์ให้หมดเจ้านั่นฟะเรูอิลลอฮอัลลอฮ์สั่งนะให้วิ่งเข้าหาอัลลอฮ์ให้หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ให้หมดคนที่เข้าหาอัลลอฮ์เยอะๆนะดีไหมทําให้ชีวิตชีวาของเขานั้นโอ้โหอกุบัดมีบารักัมต่อมาครับ ลาตัพสะบันอัลลอฮฺก็ฟิลนะอัมมายาอฺมัลุฎาลิมุนท่านนั้งหลายอย่าคิดว่าอลัลลอฮนี่ลืมในสิ่งที่คนชั่วชั่วคนอาธรรมเขาได้ปฏิบัตินะอย่าไปคิดว่าอลัลลอน่ะลืมไปแล้วทำความชั่วหมดสิบปีที่แล้วนะไปทำบาปที่อาลิกายูนิเวอร์ซิตี้ที่อินเดียนึกว่าอลัลลอฮไม่เห็นเมือ่อกลับมาเมืองไทยแล้วย้ายที่ไม่ใช่ไปทาความบาปอยู่ในสหรัฐอเมริกา ตอแก่ๆมาอยู่เมืองไทยนึกว่าอัลลอฮ์ไม่เห็นเลยเห็นครับแล้วเรายังจําอยู่นะว่าคุณทําบาปวันนั้นเตาบ้าตัวหรือยังเลิกหรือยังเปลี่ยนแปลงตัวเองยังลัมยัตะคิดซอยไบะนั่นอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีภรรยาอัลออลอฮ์วาลาวาลาตแล้วก็ไม่มีลูกด้วยฉนั้นคนที่ใส่ร้ายว่าอัลลอฮ์มีลูกนะมีไหมมีพี่น้องชาวนสรอ บ, บอกว่านาบีอีสาเป็นลูกอัลลอฮ์ นี่เอาลอกโกรดนะคำนี่เอาลอกโกรดมากๆเลยฉะนั้นข้อแตกต่างระหว่างพี่น้องมุสลิมพี่น้องยะฮูดีพี่น้องนอสอรอคริสเตียนนี่นะสมกลุ่มนี่นับถืออ mm ัลลอฮ์องเดียวกันแต่มองอัลลอฮ์เป็นคนละแบบละแบบละแบบไอเราเนี่มองอัลลอฮ์ตามที่อันบีอธิบายไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่พี่น้องคริสเตียนเรามองอัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีภรรยาใช่ไหม นับถืออัลลอฮ์องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามองอัลลอฮ์กัคนละคนละอย่างละอย่างละอย่างนะครับยุสเซลูริยาอัลลอฮ์ส่งลมมาเนี่ยเห็นไหมแล้วต่อมาอีกก็ภูวันละวีสักครรนบัพลอัลลอฮ์ให้ท้ทองทะเลเห็นไหมมองที่คืนในทะเลเนี่ยอัลลอฮ์จัดทั้งหมดนั่นแหละสักครรละกุมุลอ um ันฮาาอัลลอฮ์ให้มีกลางคืนและอัลลอฮ์ให้มีกลางวัน แล้วก็อัลลอฮ์ให้ให้ชั้นฟ้าเนี่ยเป็นอะไรนะซักกฟันเป็นหลังคาอัลลอฮ์อักบะดีขอแล้วก็สมาว่าทีว่าซัมอาตบากอตินอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าน่ะเจ็ดเจ็ดชั้นไอเขาละชั้นเนี่ยเรียกว่าเวะชะมีอยู่เจ็ดเวาหาเจ็ดอะไรนะเจ็ดอะไรนะเจด็ดเจ็ดอะไรนะอ่าอยู่ในห้วงโชวกาเนี่ยเจ็ดชั้น เจ็ดเวหาอัลลมันให ญ, ญ่มากเลยนะแผ่นดินก็เหมือนกันมีอยู่เจ็ดชั้นอยู่ซาบีหุลลิลลาฮิมาฟิสตมาวาติวามาฟิลอาสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างสรรเสริญชมอัลลอฮแต่เราไม่รู้ว่าส ป, ประสิ่งเนี่ยชมอัลลอฮฺยังไงตัสบีถึง AH อัลลอฮฺยังไงตนมากก็ทัสบีถึงอัลลอฮกบเขียดตัสบีถึงอัลลอ ต่มีอุลามาอยู่ท่านหนึ่งเขาอธิบายดีไก่เนี่ยมันก็ตัสงบิดถึงอัลลอฮ์ตอนไหนอ่ะตอนตอนซุบโบะเนี่ยตอนตีสี่มันจะขันมันขันว่าไงรู้ไหมอูซุกรุลโลแปลว่าอะไรจมไปล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เธอไก่มันขันมันปลุกคนให้ไปนมัสการละซิกรุลาาโลก็มันกบเคียดเวลาฝนตกอับแอด ออกแบทัสบีถึงอัลลอฮ์เจออัลลอฮ์ให้น้ฝนมาแล้วฝนตกนอนสบายๆที่นอนทำบานอนเป็นทัสบีปล่าไม่ใช่ <laughs> ทัสบีอาาาัลลอฮ์คือตองมนามัดิกุลลอฮ์อันกรุลอันใช่ไหมขึ้นมาประชาชนทาในนามของอัลลอฮ์ทั้งหมดมาราจะบาร้อยนยิยลตตียนแปลว่าอัลลอฮ์ในแยกทะเลออกเป็นสองส่วน อีส่วนหนึ่งน้ำเค็มอีส่วนหนึ่งน้ำน้ำจืดว่าใบนาหูมาบัตสกุลลายเบรยานระหว่างกลางน้ําเค็มกับน้ําจืดมันมีอะไรนะมีม่านกั้นอยู่ อ, ลลอัลลอฮฺว่ามีบัตซั ก, ม, กนะมีตรงกลางเนี่ยกั้นอยู่แบบดุนยากับอาคีรอนเนี่ยมันมีบัตซักอยู่ตรงกลางตรงกลางเน่ยเป็นอาลัมอาลัมหนึ่งเป็นโลกโลกหนึ่งฉะนั้นระหว่างน้ําเค็มกับน้ําจืดมีที่กั้นอยู่ น้ามันไม่ปนกันไข่คํำเรามีความสามารถไม่มีเอา้าใต้ <c oughs> ระหว่างน้ําเค็มกับน้ำน้ําจืดใต้ลงไปในท้องทะเลเป็นไข่มุกมีประโยชน์หมดเลยแล้วก็ได้ผลประโยชนมาเท่าไหร่แล้วไข่มุกเนี่ยเอามาขายโดีด่มันเป็นไข่มุกเทียมเห็นไหยแบบนี้เป็นต้นเอาละนี่ทั้งหมดนี่เล่าเป็นบางส่วนจากอลัลกรุรอานว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าของโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียว ถ้าจะบรรยายเรื่องของอัลลอฮ์นะให้ใช้ปากกาเอาต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยทำเป็นปากกาแล้วก็เอาน้ําทะเลเจ็ดมหาสมุทรเป็นน้าหมึกนะเจ็ดมหาสมุทรหมดก่อนบรรยายสืปัฏเรื่องของอัลลอฮ์ยังไม่จบเนี่ยคุรานอธิบายเองอัลลอฮ์อักบะดิญิ่งใหญ่มากฉะนั้นให้กล่าว س ุ ح ا ن อัลลอฮ์อัลฮะมบูริลลัลละอิลลัลอิลลัลลอฮ์รู้ไหมกล่าวคํานี้ได้อะไรรู้ไหม เป็นการปลูกต้นไม้ในสวนสวรรค์ในที่ของเราเองเอละลาดจัดที่เอาไว้ที่สวนสวรรค์ให้เราอยู่อยากอยู่ไม่ได้ถ้าอยากอยู่ตะเกียบตะกายนิดหนึ่งฉะนั้นอยากจะให้ที่ของเรามีต้นไม้เยอะๆให้ว่าอย่างนี้สุภานนลลออัลฮัมดุลิลละว่าทีหนึ่งก็ปลูกต้นหนึ่งว่าสองทีก็สองต้นว่าสามทีก็สามต้นฉะนั้นว่าชมาอะลาดมาพูดดีๆนะอย่างเนี้ย อัลฮัมดุลิลล่แปลว่าอะไรบรรยากาศสนเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์อิหม่ามที่พูดเข้าไม่เนี่ยสังเกตเนี่ไห้ำละห้ำละห้ำละห้ำละห้ำละห้ำละห้ำละห้มละ อะไรทำแล้วทำล้วทำล้ชมอลัลลอฮ์กอบชนมันดีดีหน่อยใช่ไหมมันจะได้ต้นไม้ห น, น, นึ่งต้นสองต้นสามต้นต้นอินทผาาลัมอะไรบ้างอยู่เลยในที่ของเราในสวนสวรรค์มันทำตัวลินละนี่ชื่อละแแบกหมดนะนี่ประเดินดูสวนหลวงรำเก้าเนี่ยมันมีชื่อต้นไม้นี่ใครปลูกองนั่นองค์นี้มาปลูกเห็นหว่าล่ะของเราก็เหมือนกันในสวนสวรรค์องค์นี้อาจารย์ยูซุ่ปลูกองค์นี้จุนเฉลิมปลูก องค์อาหมัดปลูกโอลโลฮักวัดเห็นชื่ออยู่เนี่ยซิกรุลอของเราตัสบีชของเราเป็นการปลูกต้นไม้ในสวนสวรรค์อัลฮัมดุลิลลเอาต่อมากรับอายาที่ยี่สิบเจวัดลูมาอูฮียกมินกิตาบิรับบิกวัดลูมาอูฮียและมุฮัมมัดเอ๋ย จงอะไรจงอ่านวัตถุแปลว่า read จงอ่านอ่านอะไรไม่ใช่อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์เดลี่นิวไม่ใช่มาถึงอ่านอะไรอ่านกุรอานอัลลอฮ์แปลว่านี่อัลลอฮ์สั่งนะมุฮัมมัดเอ๋อจงอ่านอัลกุรอานวันนี้นบีมุฮัมมัดไม่อยู่เราเองถูกสั่งจากอัลลอฮ์คุณต้องอ่านอัลกุรอาน วัตถุจงร้านะจงอ่านมาอูฮียสิ่งที่ได้ถูกวะฮีแก่ท่านเอาอูฮียถูกวะฮีแก่ท่านอิไลกะมาอย่างท่านมิงกิตบินจากคำพีจากหนังสือรบบิกะพระผู้อภิบาลของท่านบังคับเลยนะถ้าจะอ่านก็อ่านอัลกุรอาน เป็นวาฮีที่อัลลอฮ์ส่งมาหาท่านจากพระผู้อภิบาลของท่านฉะนั้นอ่านคุรานเยอะๆดีไหมดีภาษาเสียไหมไม่เสียถ้าเบื่ออย่าอ่านถ้าเบื่อๆราอ่านมาทุกึ่งชั่วโมงแล้วเออผักผักก็ปิดอย่างนี้เป็นต้นดูละครต่อเ อ, อเยะนั้นอ่านคุรานนะนะอ่านอ่าเยอะ ๆ, ๆนี่อัลลอ์สั่งมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดเอ๋ยจงอ่าน คำพีที่ถูกประธานลงมาหาท่านจากพระผู้อภิบาลของท่านถามว่าอ่านกูร์านเนี่ย <c oughs> ใ น, ใ น, ใ, นในอยายะอื่นอธิบายอย่างนี้อ่านคูรา์านอุดรูมาอูฮียาอิลัยกามินัลกิตาบวอัติมิสซาลาเมื่ออ่านคูร์านแล้วก็จงนมา ด, ด้วยไมาใชอ่ า, อานกูรา์านแล้วก็ไม่นมาดได้เวลาสิได้ยินเสียงอาลานไปมัสยิด นั่นอ่านกูอานแล้วก็จงนามาอินนัสซาลาตะทันฮาอันดิฟัเชออิวัลมุกัสแท้จริงการนามาเนี่ยมันยับยัง้งตัวนามาเนี่ยยับยั้งคนไม่ให้ทำบาปฉะนั้นใครมีลูกนะให้ลูกนามาให้ติดไว้ก่อนมันประกันนะ่ะประกันไม่ให้ลูกเราเสียยาเสพติดก็ไม่ติดบาปบาปทั้งหมดที่ทำๆนี่นะเลิกหมดหลังจากที่ได้นามาติดแล้วอา้าว รู้ได้ยังไงมีซอบ้านนบีคนนึงเนี่ย น, นามาศคนในสมัยนบีเนีแ่แหละนะนามาศนามาศแล้วก็ไปกินเหล้ามีซอบ้านนบีอีกคนหนึ่งมารายงานให้นบียาระซูลลลอเนี่ยมีเพื่อนชันคนหนึ่งอ่ะมันนามาศแต่มันก็กินเหล้าด้วย <laughs> นามาศด้วยมันมาทำบาปด้วยเอาไงดีนบีบอกว่าให้มันนํา ป ล, ปล่อยมันปล่อยมันก่อเดี๋ยวไม่ช้าเธอไอการนำมานของมันเดี๋ยจยอันสะอาดบริสุทธิ์นี่นะจะทำให้มันเลิกําความชั่วต่อมาอีกไม่ไม่กี่วัน น, ะ น, น่ะมาแจ้งนะบีในเวลามันเลิกแล้วอะ่ะมันเลิกอะไรนะมันเลิกกินเหล้าแล้วอัลลออักบนึกถึงตยอดเล็มยอดเล็มของเขตที่มันนั่งฟังเต็มศนะีลน่ะก็ไปทำฮัจ ก่อนไปทําพัดน่ะก็นั่งคุยกับผมผมบอกตัยอขอเรื่องเดียวได้เป่าขอไปทำพัดน่ะขอเรื่องเดียวน่ะเลิกบุรีน่ะเขาบอเออมึงมึงพูดดีเลยอ้าวหมายไปละเพิางก็ไปทำพัดกลับมาเนี่ยยังสูปอยู่เราพวกเนเนี่ยแอบสูบอยู่นะอีกหกเดือนหลังจากทำพัดกลับมาเรียกผมมานั่งตรงนี้นะ่ะเฮ้ย กูเลิกแล้วนะบุรีว่ารำดูดิละแสดงว่าบบความดีรู้ไปนมาที่นครมักกะเนี่ยทำให้อิมาของท่านเพิ่มสามารถลดความผิดของท่านได้รำดูดิละฉะนั้นเราก็ต้องเลิอกอรู้ว่าบุรีฮารามฮาราบก็ค่อยเลิกไปสิค่อยๆเลิกค่อยๆขอด้อาอนต่ออัลลอฮ์ไปฉะนั้นอุทล uh ูมาอูฮียะวัตลุมาอูฮียะอิลัยก์มินคิตาบิรอบบิก มหะมัดเอ๋ยจงอ่านคำพีของพระผู้อภิบาลของท่านตามที่ได้ถูกวะฮีแก่ท่านนะและโมบัดดิล ล, ลิกะลิมาตีฮีโมบัดดิลแปลว่าเปลี่ยนแปลงและมมบัดดิลไม่มีการเปลี่ยนแปลงการิมาตแปลว่าการิมาต์แปลว่าถอยคำนะ แต่ว่าพจนานตของพระองค์มาถึงกุราณาเล่มนี้นะ่ไม่เปลี่ยนพจนานตของอัลลอ์เนี่ยที่ให้มาไม่เปลี่ยนตัวการจะอธิบายว่าโลกมันเปลี่ยนบ้านเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากลังคาจากมาเป็นลังคาสังกะสีจากสังกะสีมาลังคากระเบื้องหรือบ้านชั้นเดียวปลูกเป็นอาพาร์ตเมนต์อีกห้ชั้น ดุลยามันเปลี่ยนแต่กุรานไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณนะเปลี่ยนแต่ว่ากุรานไม่เปลี่ยนคําสอนในคัมภีร์กุรานแต่ละเรื่องละเรื่องละเรื่องไม่เปลี่ยนนามาตไม่เปลี่ยนอาตีดาไม่เปลี่ยนความเชื่อไม่เปลี่ยนอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ไม่เปลี่ยนแต่วัตถุที่คุณครอบครองอยู่มันอาจจะเปลี่ยนตรงนี้อาจจะถูกเป็นอาจจะเป็นทางด่วน ใช่ไหมเอาเงินมาให้ค่าอะไรนะค่าเวรคืนผันจะลงทางด่วนอ้าวเคยเป็นที่อยู่อาศัยกลับมาเป็นทางด่วนเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าอิสลามเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอัคดีด้าไม่เปลี่ยนความเชื่อไม่เปลี่ยนของถูกๆที่มาจากอัลกุรอานไม่เปลี่ยนฉะนั้นสบายใจได้ใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเราอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไอ้ราบมันต้องเปลี่ยนแน่ๆนี่ย เปลี่ยนจากหนุ่มมาเปลี่ยนจากเด็กมาเป็นหนุ่มเปลี่ยนจากหนุ่มมาเป็นแก่พอแก่แล้วก็ไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวไม่ชาวก็อินนาลิลลาตายแต่อิสลามไม่เปลี่ยนคงอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปอัลลอห์ดูแลคุ้มของนะละมุบัดดิลลีกาลิมาติฮีพจนานของอัลลอ์ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงพจนานของพระองค์อัลลอ์ไม ถ้าใครนึกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้อพราะจน่าของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูแลรักษาหรือพูดง่ายๆเนี่ยคัมภีร์กุรอานเล่มนี้อัลลอฮ์ขอดูแลจะเพียงผู้เดียวอีกสองสามเล่มที่ประทานลงมาในยุค ข, ของนบีมูซาอีซาวันนี้เปลี่ยนหมดแล้วใช่ไม่ใช่เปลี่ยนหมดแล้วแต่อนะัลลอฮ์นขอร้องให้พวกอุลมามะ อุลามายาฮูดีอุลามานัสรณีดูแลคัมภีของอัลลอฮ์แทนอัลลอฮ์หน่อยแต่พวกนี้ดูแลไม่ได้แค่นั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาสองสามเล่มไว้ใจมนุษย์มนุษย์เปลี่ยนเองแค่นั้นฉบับสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าว่อินนีลาฮูลาฮาฟิรฉันขอรักษาเองและวิธีรักษาของอัลลอฮ์รักเองกันนึกไม่ถึงให้ เด็กมุสลิมท่องจำอกรุรอานวันนี้ประเทศไทยมีไหมฮาฟิสกรุรอานเยอะในอินเดียมีไหมเยอะในปากีมีไหมเยอะมากทุกประเทศในโลกมีฮาฟิสฮาฟิสคนท่องจำอัลกุรอานเป็นล้านเห็นไหมน่วิธีการอะไรนะวิธีการรักษ า, ษ อ, าอัลกุรอานแล้วมีอุลามะอีกละฮาฟิสนั่งอยู่ในคนหนึ่งใช่หไหมท่องจำอัลกุรอานองลงมาก ฉะนั้นและมูบัดดิลาริกาลิมาทิฮีพจนานของอัลลอ์นั้นไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงมันได้และไม่มีใครทำให้มันเลอะเลือนได้นะครับวาลันตาจีดมินดูนีีมุลตะฮาดาอื่นจากพระองค์มินดูนีแปลตรงนี้ก่อนอื่นจากพระองค์ ลันตาจีดาท่านไม่พบท่านจะไม่พบนะมุลตาฮดาที่พึ่งอื่นจากอัลลอ์อื่นจากอัลลอ์แล้วเนี่ยนะท่านจะหาที่พึ่งไม่มีไอ้ที่ทูที่พึ่งหลอกๆอกก เ, เยอะสิที่พึ่งหลอกๆอกเนี่ยเยอะอ้าว รูปเจเวดที่พึ่งหลอกหลอกโตตะเกียรที่พึ่งหลอกหลอกโตระยองที่พึ่งหลอกหลอกลูกกอกที่พึ่งหลอกหลอกแล้วก็ตะกุดที่พึ่งหลอกหลอกต้นกล้วยที่ออกปีกลางต้นไปขอหวยที่พึ่งหลอกหลอกไอที่พึ่งจริงๆอยู่ที่อัลลอฮ์รู้ไหมในวันเตียมานะเราไม่ใช่คนโลกเดียวนะคนโลกเดียวก็อย่างนี้นะกระถูกหลอกกันอย่างนี้แหละ แต่คนสองโลกเนี่ยรู้ไหมในอวันในวันอาซีรอวันนั้นอ่ะไม่มีต้นไม้ไม่มีอาคารไม่มีที่พิงไม่มีที่รม่มคนที่จะอยู่ใต้ร่มเงาอลัลลอ์ได้มีอยู่เจ็ดงพวกต้นไม้ไม่มีดวงอาทิตย์ห่างแค่ศีษะเนี่ยอ่านจากคัดิสเนี่ว่าไม้เดียวไม้หนึ่งกิโลหนึ่ง อ, อัลลอฮ์นนขณะขณะนี้ยังร้อน่ะ นี่อยู่ห่างเท่าไรเนี่ยเก่าสิบล้านก่อไม้เนี่ยใช่ไหละ่ะอย่างร้อน ก, กับวันเกียร์มากจะขนาดไหนนบีม u h a m m a d สอนเองนะครับซาบะตุนยุิลุฮุุลลอห์ฟีซิลลิฮียาอมาลาซิลุอิลลาซิลุในวันเกียรมมากนั้นไม่มีร่มไม่มีที่ร่มใดๆที่จะให้ความคือจะเป็นเป็นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนที่พึ่งเนี่ยไม่มี นอกจากคนที่มีหัวใจสะอาดกับอัลลอฮ์เจ็ดพวกเจ็ดกลุ่มเท่านั้นเองที่จะอยู่ใต้ร่มเงาอัลลอ์นะหนึ่งในเจ็ดเอาเอาทุกเจ็ดดีกว่ามีอะไรบ้างก็ที่หนึ่งอิห ม, ม, ม่มามูนาอัลดินอิหม่ามอิหม่ามที่มีความอาดินยุติธรรมอิหม่ามผู้นำที่ดีนี่ตั้งแต่วันาทิบดี ของซีเรียน่เป็นมันเป็นเป็นผู้นำนั้นนะแต่ค่าประชาชนตัวเองเนื่องจากผู้นำเป็นชิอะแล้วก็ประชาชนนั่นเป็นซุนนีไเรามีประมาณเท่าไหร่ประชาชนกันนะแค่หกเอร์เซมีประมาณแค่ประชากรทั้งหมดยี่สิบล้านอ่ะยี่สิบกว่าล้านเป็นเป็นชิอะแค่หกหกหอร์เซนนอกนั้นเป็นซุนนีหมด วันนี้นะ่ะผู้ปกครองททีที่เป็นชิยานะ่ะทําลายเป็นนองสุนนีทําลายมากี่ปีจะสามสิบกว่าปีแล้วนี่นะอิหม่ามุนแต่หากเป็นอย่างนี้นะนั่นแหละอิหม่ามประเภทนี้ไม่มีสิทธิ์อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ถ้าอิหม่ามมาต้องอาดิลเออยุติธรรมดูแลประชาชนอย่างดีนะครับอิหม่ามที่อ่านคุรานำนามาด้วยอิหม่ามอบจอมหตอทั้งหมดนี่เป็นเป็นลีดเดอร์ทั้งหมดนี่นะ ต่อมาครับชาบุลนาชาอฟเวีอิบาดติลลาอยู่ตางหเด็กหนุมน่มๆเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยเด็กหนุ่มนะเด็กหนุ่มที่เจริญเติบโตมาอยู่ในการพักดีต่ออัลลอฮ์ได้นามาตั้งแต่อายุสิบขวบเจ็ขวบอัลลอฮ์รักษานามาจนกระทั่งตายเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าเด็กหนุม่มเด็กสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ใต้ร่มเ ง, งาอัลลอฮ์ เนวันตียมอันที่สราจุลน์กอลบุหูมุลละคุนฟิลมสยิจคนบุรุษจะเป็นหญิงหรือชายก็าตามที่หัวใจของเขานึกผูกพันกับมัสยิดอ้าวนึกถึงมัสยิด ต, ตอนไหนพอที่ยินเสียงอาจารฉันต้องไปมัสยิดแต่งี้เป็นต้นหัวใจที่ผูกพันกับมัสยิดอ้าวมัสยิด นํามาแล้วก็นึกอีกมัสยิดจะพังท่านก็ต้องไปซ่อมแซมมัสยิดที่สกปรกเออจะหาเงินหาทองมาทาสีมัสยิดสะอาดก็ต้องเข้าไปดูแลหัวใจที่ผูกพันกับมัสยิดจะอยู่ใต้ร่มเ ง, งาอัลลอฮ์ในวันเจรมาข้อที่สีรอยู่ละนี่ตาฮาบาฟิลละอิชตะมาอาอะไรวัตฟาร์กอลอะไรชายสองคนที่รักกันก็เพื่ออัลลอฮ์กลัวไปถึงสามีภรรยานี่รักกันเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่เอาศาสนาเราก็เลิกกันก็นเพื่ออัลลอฮ์คนอย่างเงี้ยไปน้องดีหมดเอาข้อที่ห้าโรยูลุนดาอัตุอิมโรอาตุนจาตมันซอบินวาจามาลินใีผู้หญิงมาจีบผู้ชายมีป่าผู้หญิงสวยๆแล้วก็ร่ำรวยเงินทองเยอะเห็นว่าผู้เราเข้าสู่เรานะมาดีมามัสยิดอยู่เป็นประจำ มาจีบบอกพี่ไปกับฉันเนี่ยไปทำซีนาก็หน่อยนั่งรถเลยเราใจไม่อดเราบบ ก, กฉันไม่ไปนะเธอก็จะแต่งก็แต่งกับฉันตามแบบอิสลามมันมันถูกต้องนี่ผู้ชายอย่างนี้นี่นะจะอยู่ใต้ร่มเ ง, งาอัลลอ์ในวันเตียรมาแต่มีสักกี่คนนะมาชวนชวนอัลลอ์ไม่ท่านชวนเราชวนเขาก่อนอ อ่าผู้หญิงนะผู้หญิงที่ชวนผู้ชายให้ไปทำสินะแต่ผู้ชายว่าอินเนอคอฟุลลอฉันกลัวอ่ะรอฉันไม่ไปอ่ะรอถ้ามีนะห้ามดูเลยนะแต่มีแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้อยู่คนหนึ่งอา่านิดหนึ่งไปรักษาตัวอยู่ในประเทศอังกฤษผมอ่านหนังสือเนี่ยพรสารพบไปรักษาตัวอยู่ในประเทศอังกฤษเสร็จแล้กวก็มี นางพยาบาลเนี่ยเข้ามาเช็ดตัวเข้าเอายาให้กินเอาอาหารมาให้พอผู้หญิงสวยๆเข้ามาเนี่ยผู้ชายคนนี้ก้มหน้าไม่เคยมองหน้านางพยาบาลเลยรักษาตัวอยู่ได้แค่สามวันผู้หญิงคนนี้บอกว่าพี่ฉันฉันจะขอแต่งงานกับพี่แล้วผู้ชายก็เลบอกแต่งงานกับฉันไม่ได้ฉันเป็นมุสลิม อยากแต่งอ่ะบอกทําไมทําไมอธิบายให้ฟังดูที่ฉันเนี่ยเข้ามาเช็ดตัวเอาอาหารมาเอายามาให้ไม่เคยจ้องหน้าเชเลยสักนิดหนึ่งฉันทำงานมาประมาณยี่สิบกว่าปีนอกนั้นละจ้องงดจ้องนมเขาด้วยอะไรเขด้วยสารพัดน่ะจ้องหน้ายิ้มขณะจะตตาอยู่แล้วน่ะเห็นผู้หญิงยังหึงแต่ผู้ชายคนนี้ไม่เอาอ่ะแล้วผู้หญิงก็ขอขอแต่ง ท่าผู้ชายว่าถ้าจะแต่งกับฉันฉันเป็นมุสลิมคุณต้องรับอิสลามก่อนนี่เพราะว่าไอ้เรียนตื่นบนเลยเห็นมั้คุยกับผู้หญิงไม่ได้หืมคอยาวเลยครับดูดีแล้วเอาต่อมาข้อที่หใครที่บริจาคนะด้วยมือขวาจะมือซ้ายไม่ ร, ยยงง ร, มมมรู้อธิบายยังไงบริจาคทรัพย์ด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้อธิบายยังไงไม่โฆษณา ไม่ไปคุยเห็นไหมแค่ทำบุญบริจาคไม่คุยให้ชาวบ้านเขาฟังเนี่ยให้เงียบเงีย่ยพออัลลอฮ์จัดที่อยู่อาศัยพิเศษก่อนเข้าสวรรค์อยู่ใต้ร่มเงาอัลลอฮ์สุภาณาวะตลข้อสุดทา้ายข้อที่7็ยากหน่อยรออยูลรุนจากรอรอข้อเลี่ยนอยู่คนเดียวนึกถึงอัลลอฮ์ฟาฟาอไอนาใครร้องให้ น้ำตามันไหลลงมาตอนกลางคืนอยู่คนเดียวนึกถึงอัลลอฮ์มีไหมมีครับนะอยู่คนเดียวนึกถึงอัลลอฮ์สุดหยุดไปร้องไห้ไปอะไรไปนะคนอย่างนี้สิอัลลอฮ์จองที่เอาไว้อยู่ใต้ร่มเงาอัลลอฮ์ก่อนเข้าสวรรค์คนอย่างนี้อยู่ในทุ่งมาชัดนะยืนนาะนความรู้สึกเท่ากับนามาจีรพัดสองอย่างนี้เป็นต่อ ทูลว่าวาลันตาจุดาบินดูนิฮิมุลตะฮาดานะไม่มีผู้ใดเป็นที่พึ่งได้นอกจากอัลลอฮ์เราต้องพึ่งอัลลอฮ์ทางดุนยาและหลังตายในกูโบก็ต้องพึ่งอัลลอฮ์ฟื้นขึ้นมาอีกวันหนึ่งอาคีรอก็ต้องอยู่กับอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าเราเอาอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งนะเราได้ที่พึ่งสามโลกเลยดุนยาก็พึ่งอลัลลอฮ์อัลลบัซา ก, ก็อยู่กับอัลลอฮ์นะ ฟื้นขึ้นมาก็อยู่กับบัลังของอัลล์อยู่ใต้บัลังอัลลอ์สุบฮานะูวะตาและผสท้าก็เข้าสวรรค์อายะสุดท้ายนะครับ Wasbir nafsak m a a l d a y u อยรีดูะจมุฮัมมัดเอ๋จงอดทนเอ้าเห็นไหม นี่วันนั้นบีมุ hammad ไม่มีอลัลลอฮ์สั่งเราสั่งคนอ่านคุณอ่านบทท่านจงอดทนสบัสดเนี่ดีไหมดีมากๆากเลยต้องอดทนเมียดาบ้างก็อดทนพ่อดาก็อดทนม่บนอดทนครูบนอดทนแต่คนที่ถูกถูกตำหนิถูกว่าถูกเตือนเราก็อดทนเดินตามคำแนะนำก่อนนะเจริญหมด คนเหล่านี้จเจริญหมดแต่คนที่เถียงครูนะ่ะมันก็จเจริญได้ไรหรอกท่านคนที่เดินตามคําสั่งอั Allah, Allah, ลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทะเลาะกันไม่อะไรการให้อดทนทั้งหมดเนะี่ยนับสักะตัวของท่านอั Allah, ลลอฮ์ดังนั้นอดทนอะไรนะจงอดทนต่อตัวของท่านเองอยู่กับใครมาัลลดีนายาดอนารบบฮุมอยู่ร่วมกับผู้ที่ วิงวอนต่อผู้อาภิบาลของเขาทั้งหลายจงนั่งอยู่กับคนนั่งอยู่กับคนคนที่อะไรนะคนที่ขอพรต่ออัลลอ์ช่วงไหนครับบิลอาชีบิลกอดาที่ช่วงเชา้าวันอาชีแล้วก็ช่วงเย็นแสดงว่าอสองช่วงเนี่ยดีมากนะเช้ากับเย็น เห็นเราเห็นคนเใช่ไหาคนดีๆมีใช่ไหมล่ะไปนั่งคุยกับเขาเอรรถอักบัตดีไหมดีมากเลยจงอดทนนะไปอยู่กับคนดีๆอยู่ช่วงเช้าบ้างช่วงเย็ยนบ้างใช่ไหมไปกินอาหารกับเขาบ้างไปนั่งคุยกับเขาบ้างต้องคุยเยอะๆกับคนดีๆเนี่ยนะถามว่าไปคุยทําไมอดทนทําไมเพื่ออะไรยู่ดีดูนะว่าฮะอืมปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์ ที่ไปอยู่กับคนคนนี้น่ะอยู่แล้วเนียดหวังความโปรดปานจาก Allah. อัลลอฮฺอายะห์นี้ต้องการอธิบายอย่างนี้คือคนจนๆในสมัยนบีเนี่ยมีเยอะนะคนจนๆนะทัวพิวเปิลหวรี่พวัวัวมากๆคนจนๆในสมัยนบีมีเยอะอาเช่นใครบ้างบิลล่าไซนาบิลาเนี่ยจนๆ ท่านอามาดนี่จนมากเลยท่านซุเฮบนี่จนมากเลยท่านอิบนมัสออดเนี่ยจนทั้งหมด เ, เงินทองน้อยแต่หัวใจสะอาดคนเหล่านี้เนี่ยนะถามว่าถ้าไม่มีอญญายากรุ่าเนี่ยลงมาเนี่ยนบีก็อยากจะนั่งคุยกับคนรวยๆนักปกครองนักการเมืองในสมัยนู้นเนี่ยนะนบีต้องการจะดึงคนเหล่านี้มารับอิสลามใช่ไหม อัลลอฮ์เขสั่งมุฮัมมัดเอยมันมีคนอยู่สองกลุ่มขณะนี้นะ่ะกลุ่มเป็นนักการเมืองผู้ปกครองเขาแอนตี้อัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามแอนตี้มุฮัมมัดด้วยนะี่นะอย่าไปสนใจคนเหล่านี้เท่าไหร่ให้นั่งอยู่กับคนจนๆ น, นี่แหละโอ้โหนี่ภาษานี้ดีไหมดีมากเลยให้อยู่กับคนจนๆ น, นี่แหละแต่คนจนๆเหล่านี้เนี่ยเป็นไงตรงไหมดีมากๆเลยนะ ถ้าแนะนำเขาดีๆอบรมดีๆบอกดีๆได้พวกเต็มเลยแต่มีอยู่นบีหนึ่งนบีอีสซาอะลัยฮิสสลามอัลลอ์ทดสอบนะนบีอีสซาที่อัลลอ์ให้พิเศษก็คือรักษาคนตาบอดให้หายได้เป็นนบีด้วยแล้วก็เป็นหมอด้วยหมอเฉพาะทางนะเพราะรักษาหายดีแทนที่จะได้พวก ไอ้คนนี่ด่าต่อเป็นศัตรูต่อมีอัลลอฮ์ทดสอบหอเห็นหรือยังร่างการทดสอบจอากอัลลอฮ์เนี่ยมามาได้หลายวิธีเราไม่รู้ต้องอดทนทั้งหมดเหมือนกันเนี่ยลูกเราบางคนมีอยู่ห้าคน<ม>ดี4ี่คนดีอีกคนหนึ่งนี่มีข่าวออกมาเนี่ยคนเล่าผมฟังมีอยู่คนหนึ่งร่ำรวยมากจนในกทมเนี่ยลูกติดยาเสพติด พ่อต้องให้วัละห้าพันหกพันห้าพันบางทีขอเลยพ่อขอห้าแสนพอขอแล้วก็ลูกเลิกเลยยาเสพติดเลิกเลยพอได้ไปห้าแสนสามวันเยอะขออีกอ้าวนี่ไงเห็นไหมอัลลอฮฺให้ริสกีเยอะเงินเยอะแต่ลูกไม่เอาศาสนาอัลลอฮฺเห็นอย่าง ขอดูอาตอลอขออย่าให้เป็นอย่างนี้เลยกุ้มใจฉะนั้นต้องเอาศาสนามากำกับชีวิตนั่นให้ลูกมีศาสนาตาั้งแต่เล็กๆเลยกันเอาไว้ก่อนเราไม่รู้ไงใช่ไหมฉะนั้นว Was bid n a f s ะ k u m Alladhi nayadau nara bahum bilqada watilal ashi ย u ร i d u n a วัจ h a อยู่กับคนจนๆเขาเป็นคนดีวิงวอนต่ออัลลอฮ์ยามเชา้ายามเย็นเพื่ออะไรมาเจอไปหาคะแนนเสียงนะจะเป็นสอขอจะเป็นสอจอจะเป็นผู้ว่าอุตสาไปหาคนไปสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครั บ, รบใจนึกกูเอาคะแนนแต่อันนี้ไม่ใช่นะอยู่รีดูนะว่าจะหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุภาพนะวออัลลอฮ์ อธิบายว่าเนียคุณต้องเนียดแบบนี้เป็นเนียดที่สะอาดบริสุทธิ์หวังรางวัลตอบแทนจาก ح ح าอัลลอฮฺสุลตานาบูตะอะส่อตัวไปอีกว่ละตาดูตาดูนี่แปลว่าอย่าละ อ, ะอย่าเอาตาเนี่ยละอย่าละสายตาให้พยายามอยู่กับคนกลุ่มนี้นะอย่าละสายตาไอ้นาก็ตาทั้งสอของท่าน อากพวกเขาอย่าละสายตาออกจากกลุ่มคนจนๆเหล่านี้และไปจ้องมองใครไปจ้องมองไปให้ความสนใจกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ตูรีดูซีนาตลหายาติ ด, ดุนยาพวกเขาปรารถนาความสุขบนโลกดุนยาใบนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย เขาไม่เอาอาคิเร่เขาเอาแต่ดุนยาอย่างเดียวมีไหมเยอะ้านเลยมัวหมาดเอย๋ยจงอยู่กับคนจนๆที่เขาเอาอาคิเระอย่าไปสนใจกับคนที่หลงดุนยาไม่เอาอาคิเร่คนหลงดุนยาเนี่ยรวยหมดนะบ้านก็ใหญ่รถก็ใหญ่เมียก็สวย พ, ยพยิยญาไม่คุมศา ส, สนาไม่เอากินเหล้ากินยาหาความสุขเพลิดเพลินโอโเราเหนก มองคนรวยห่สามมันชื่นใจแต่ที่ไหนได้พวกเขาไม่เอาอาคีราอเอาแต่เฉพาะดุนยาอาลัลลอฮ์ให้ไหมให้ให้กี่วันให้จนกว่ามันจะตายพอตายแล้วจบแบบฟาโรห์กอรูนฮามานเห็นไม้มผูที่รวยหมดแล้วต่อมาอาลัลลอฮ์ให้ยัให้กอรูนสูบบ้านลงไปอยู่ใต้ดินวันนี้ พอมันจะกับบทโอหังเอาเฉพาะดุลยาไม่เอาอาคีรออย่างนี้เม็นต้นนะครับว่าละตุย์มันอักรฟัลน้ากลับบูอัน ذكرينا และจงอย่าเชื่อฟังอ๋อพวกพวกพวกลงดุลยามาคุยอะไรให้ท่านนะบอกกับนบีนะอย่าไปเชื่อมันนะ คนนี้มันเอาดุลยายัางเดียวนั่งคุยกับมันอย่าไปเชื่อมันสาบานสาบานหลอกๆ ก, กันนะั้นนะ่ะจะช่วยจะช่วยจะช่วยลอกผมได้คะแนนแล้วมันไปเลยเวลาตุเตะมันอักลกัฟลานาจงอย่าเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ที่มันอัลฟัฟลนากลบาหูผู้ที่เราได้ทำให้หัวใจของเขาเมินเฉยต่อการล้ำลึกถึงเรา เห็นยังอธิบายชัดขนาดนี้อลัลลอฮ์นะคนที่ไม่ดำลึกถึงฉันคนที่หลงดุนยาน่ยนึกถึงอลัลลอฮ์ไหมไม่นึกนมาดมันนึกไหมไม่นึกอาซาบในกูโบมันนึกไหมไม่นึกซิลโลร่มใต้ร่มเงาที่อยู่บลาลังอัลลอฮ์ว่ามีเจ็ดกลุ่มมันนึกไหมไม่นึกคนประเภทนีนะ้อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยๆอย่าไปเดินตามมันอลัลลอฮ์เห็นยังอ่ะ วันนี้นะ่ะสอนเราหลายเรื่องนะแค่นั่นผู้ว่านักการเมืองทั้งหมดนั่นแหละโซกปกโซ ก, กปกวันนี้เขาเดินตามมันทำงไงแล้วก็มีนบีพูดอีกนะคนที่เดินตามนักการเมืองนะ่ะนะโอกาสตกนรกง่ายเดินตามอุละมะเนี่ยนี่ผมคุยกับคนคนหนึ่งเดีย๋ยวเอ่อชื่อว่าใครนะ มกอนเนี่ยอยู่อยู่กับภาคการเมืองทุกภาคเลยผมถามว่าเป็นไงานตอนอยู่กับภาคการเมืองยันพูดชัดๆเลยผมไม่เคยนำมาให้เวลานี่ข้อที่หนึ่งนะเรื่องนามาให้าเวลาเนี่ยไม่ครบพอมาสนใจาศาสนาเดินตามบุญละม้าไปไหนมาไหนตามบุละม้าสิ่งที่เห็นชัดนามานผมไม่ขาดบวชไม่ขาดทำโดยเลยละ นี่เห็นยังเห็นยังนี่อัลลอ์สั่งเน้นะวลาตุตียมันอักฟัลนากลบาฮูอันจิกรีนาจงอย่าเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ที่เราได้ทำให้หัวใจของเขาเมินเฉยต่อกา ร, รํำลึกถึงเราอย่าเดินตามมันคนที่หลงดุนยาโลกเดียวอย่าไปเดินตามมันคบกันได้ไหมได้คุยกันได้ไหมได้อย่าคุยนานหานาทีก็เยอะสิบนาทีก็เยอะ อย่าไปหวังว่าจะดึงมันมาอยู่ในศาสนาอย่าไปหวังอย่าไปหวังแต่ก็แล้วก็เนื้อยอยากรอท่าได้กลุ่มนี้มาสักคนนึงก็ดีนะมันจะได้แต่อย่าลืมว่าอิสลามน ะ, จะเจริญไม่ใช่เพราะเงินนะอิสลามจเจริญเพราะอีมานต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยอิสลามจเจริญ increasing every day เพื่น้องอิสลามมันจะเจริญก้าวหน้าเนี่ยเพราะคนอิมานใจสะอาด อิคลาสบริสุดใจต่ออัลล อ, อ, อ์ไม่ใช่ money o n e y m e n y เงินเงินไม่ใช่เพาะนั้นอิสลามจะเจริญสังคมมุสลิมจะเจริญเพราะอีมานแล้วก็เงินตามมาทีหลังไม่ใช่เงินนาแล้วก็อีมานตามไม่ใช่อีมานก่อนแล้วก็เงินทีหลังนะครับวัตตบา า, าเดินตามคนที่ปฏิบัติ ที่เฉยเมยต่อการดำลึกถึงฉันเขาเดินตามใครวัตตาอาหาว่พวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาเองเห็นไหมเขาไม่เอาอิสลามไม่เดินตามอัลลอฮ์ไม่เดินตามสุนนนะบีแต่ก็เดินตามใครเดินตามอารมณ์ของเขาเองอย่าลืมว่าทุกคนมีอารมณ์หมดและอารมณ์แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่ถูกสักฟอกเนี่ยสกปรกหมดฉะนั้นถ้าเดินตามอัลล์ ปลอดภัยเดินตามนาบีปลอดภัยเดินตามซุนานะนบีปลอดภัยเดินตามสุข บ, บ้านนบีปลอดภัยถ้าเดินตามคนที่หลงดุนยาไม่ปลอดภัยเพราะคนหลงดุนยาปฏิบัติตามอารมณ์ตนเองวกาณาอัมรูหูฟูรูโตและกิจการของพวกเขาของเขาเนี่ยเลยขอบเข ละเมิดขอบเขตไม่ได้อยู่ในขอบเขตอยู่นอกขอบเขตใช่ไหมคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์คนที่เฉยเมยต่อการดำลึกถึงอะไรพวกนี้เดินตามมันไม่ได้พราะคนเหล่านี้ละเมิดขอบเขตคนเหล่านี้ปฏิบัติตามอารมณ์ตนเออเข้าใจนะอธิบายพูดอานพูดชัดมากเลยทำอะไลแต่จริงไหมจริงครับท่านั้น คนอย่าไปมองว่าคนนี้จนเห็นเขาใส่เสื้อขาดขา ด, ขาดไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนจะแต่งตัวรอไปก็รอมากน่ะไม่เอาอัลลอฮ์เลยไม่เอาซุนานะนาบีเลยลืมอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอารมณ์ตนเองอ่ะเดินตามมาทำไมนี่อัลลอฮ์สั่งนะถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งเราก็ยังยังเดินตามมาแต่วันนี้มาอ่านเจอแล้วพอแล้วพอแล้วชีวิตที่ผ่านมาพอที่เหลือนี่ หันมาอยู่กับนี่ะกูังคนนี้เยอะฝังคนนู้นมาเยอะมีอยู่คนพูดว่ารถมุสลิมตายไม่มีใครเข็นรถกาเฟตายโอ้ช่วยกันเข็นหน้าดูเลยอธิบายยังไงกับสังคมมุสลิมไม่มีใครเอาเพราะมุสลิมมนจนมุสลิมอลุลโลมุสลิมแย่เอาละหันมาอยู่กับ เนี af, allah. ่ยก um ja ับอีผู้อีมั่งต่ออัลลอฮ์อย่าลืมนะอิสลามจะเจริญได้ไม่ใช่เพราะเงินอิสลามเจริญได้เพราะอะไรอีมั่งถ้าใครที่มีอีมั่งเยอะๆนะอัลลอ์อิสลามมันจะ improve อัลลอฮ์เจริญเจริญเจริญเจริญเจริญอันนั้นครับ SubhanakaAllahumma bihamdi k af, sub um il aha il aha a s h o l a i l i l i i l l a h a t t a t i i l a i q wassalamu l a u r